การที่คนเราจะมีศรัทธานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่หายากคนไม่มีบุญทำไม่ได้คนกิเลสหนาะก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันยอมมันไม่ยอมให้ใจสงบ เมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผลักดันจิตใจให้พุ่งไปคนผู้นั่นก็ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อันนี้นะป่าเป็นเครื่องพิสูจน์ดได้เลยคนผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่รุนแรง สามารถเอาชนะมันได้น้องจิตตรงสู่ความสงบ ก, ก็ไม่ยากลำบากเท่าไรคนมีบุญมากเพราะเหตุนั้นเนี่ยการทำบุญนี่อย่าพากันเกียกครานคนไม่มีบุญนั่นละเป็นคนเจ้าทุกข์ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน กระสับกระสายไม่เป็นอันยูเดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดรู้ว่ากิเลสของตนมันหนาอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็งใช้ความอดทนให้มาก หากเพียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ต้องอ่อนกําลังลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะตนไม่ส่งเสริมมันน่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไรอะ่ะการที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมันไปปรุงแต่งมันขึ้น เช่นนี้นะมันจะไม่ให้มันมากอย่างไรเล่าถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลยเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจหล่อแหละเร็วไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริง เห็นแต่ของปลอมมีแต่มันหลอกกิดให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมาต่างๆอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยได้แต่ทำของปลอมนั่นทุกคนนะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันและของใช้เก่งจากเก่งยนท่าเป็นของเทียมแล้ว คนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอกมีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นซื้อของเทียมมาใช้ไม่นานมันก็สึกหลอไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจอย่างนี้นะ มันก็จะทำใจนั้นให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไปแมจะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทานสงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็พุ่งไปแล้วอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาท ถ, ถ้าท้อถอยแล้ว ผู้นั้นก็ตกเป็นธาตุแทงกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไปทำความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตนไม่ได้เพราะว่านิวรณธรรมนี้นะท่านแปลว่าธรมเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุกุศลขุนงามความดีได้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิวรณธรรมเนี่ย มันเป็นทมกันจิตม่ให้ดำเดนินก้าวไปสู่กุศลอันสูงสง่งตลอดถึงโลกุตรักกุศลมูลีก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่เพียรพยายามข้าจัดนิวรณธรรมออกจากจิตใจไป อันนี้จึงควรสนใจให้มากที่เดียวอ่ะอันความรักก็ดีความชางังความพยาบาทก็ดีกิเลสโมเนี้ยมันคุ้นกับจิตใจของคนพอแรงคนต้องรู้นะแต่รู้แล้วมันหวงไว้มันไม่ยอมละเนี่ยสำคัญนะ อันซึ่งจะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเหล่านี้นะไม่ได้หรอกมีรู้ทุกคนนะแต่มันไม่ยอมละเสียดายมันเพราะว่าความรักอย่างนี้นะเวลามันเกิดขึ้นมันมันก็มีรสอร่อยอยู่ในใจพอได้เหมือนกันแหละทำให้ใจรื่นเริงบันเทิงอันความชังนี่มันก็เป็นความขมคืน แต่แล้วบุคคลก็ยังชอบมันทั้งที่มันขมคืนทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ร้อนอยู่พนันมันก็ยังชอบมันอยู่นี่แปลกจังนะคนเราเนี่ยเหมือนกับคนชอบอาหารที่สแสรงาธาตุนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าอาหารนี่มันสแสรงาธาตุแต่แล้วก็ยังไปรับไปทานมันนะ่ะ เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันอดกั้นต่อความอยากไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันไม่เห็นโทษแห่งความอยากก็จึงได้ตกเป็นทาตแห่งความอยากความอยากมันก็ทำให้ร่างกายทุดโทมไปวิบัติไปเพราะอาหารไปสแสลงกับาธาตุทำให้าธาตุปวนปั่นเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ ความรักความชังโมรดมันเป็นอาหารสแสลงของจิตแต่ถึงกระ น, นั้นมนุษย์เราก็ชอบนักชอบนะผู้ใดสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็มีแต่ทำใจให้ปวนปัน่นให้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละ อันนั้นก็ปล่อยให้มันเผาให้มันร้อนดินรอนอยู่นั่นแหละไอ้ซึ่งจะไปกำหนดละมันเตือนใจให้เบื่อให้หน่ายมันไม่แล้วอันนี้อะคนเรามันถึงไปไม่รอดนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันหวงกิเลสอันเป็นเอตให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันจะมันจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรอะ เพราะว่าทุกข์ทาลายมันเกิดมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุเหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละมันก็เกิดมาจากดินนั้นน ะ, ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่อากาศเมือ่อบุคคลจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องขุดลงไปตัดลากขอยลากแก้วมันออกแล้วมันก็หมดเชื้อไปเลยไม้ต้นนั้นนะ ถ้าตนไม่มีกำลังจะตัดรากแก้มมันได้ก่อนก็ตัดกิ่งก้านสาขามันลงไปก่อนมาให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเมื่อมันแตกกิ่งแตกก้านแล้วก็ตัดลงไปเรื่อยๆไปไม่ตัว น, นั้นมันก็ไม่เจริญงอกงามแล้วมีแต่จะค่อยตายไปทีละน้อยละน้อยไป ในที่สุดมันไม่สามารถจะงอกงามเจริญไปได้แล้วมันก็ตายเท่านั้นเองอ่ ะ, อะไม่ตรนนั้นนะเพราะอาศัยความเพียรของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันแหละกิเลสอันหมักดองอยู่ในใจของคนเรานี่หากว่าเมื่อบุคคลไม่ท้อถอยความเพียรนนะไม่ละทิ้งความอดทน เพียนเพ่งพินิจอยู่อดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความรักความชังอดไม่คิดหมายความว่าอย่างนั้นแหละอดคิดไปในเรื่องเช่นนั้นเมื่อเราหัดอดถัดทนเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงเองเนความคิดอันนั้นน ะ, ะมันก็ไม่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้น มันกิเลสตอนนี้มันก็ค่อยอ่อนกำลังไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลตัดก้าน ร, รานกิ่งของต้นไม้ลงนั่นแหละแต่ถ้าบุคคลได้มีกำลังมากเพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคกำลังพร้อมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากในการลากกิเลสนะ ก็เหมือนอย่างคนที่มีกำลังพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นพร้อมแล้วนันก็ไม่ยากแหละขุดเจาะลงไปตัดรากมันไปโดยลาดับจนถึงรากแก้วตัดรากแก้วแล้วไม้ต้นนั้นก็โค่นลงอยู่ไม่ได้แต่เมื่อกำลังยังไม่พร้อมก็อย่างว่านะก็ตัดกา้านลานกิ่งมันไปก่อน อันนี้เหมือนการเมื่อตอนยังไม่มีกําลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสนั้นออกได้ก่อนก็พยายามตัดทอนกิ่งก้านสาขาของมันหรือว่าอดคิดอดนึกไปเรื่อยๆไปเมื่อไม่มันคิดมันนึกไปกิเลสตัว น, นี้มันก็ไม่งอกงามขึ้นในจิตใจได้ มันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยในที่สุดเมื่อกิเลสเหล่านี้มันสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่ง mm hmm. บุคคลนี้จะไปเจริญพระกรรมฐานอะไรก็ตามแหละแต่ถ้าหาว่ามันเผลอๆกิเลสมันเกิดขึ้นไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียนเพ่งพินิษ กำหนดละมันแล้วกรรมฐานนั่นก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานก็ลบเลือนไปไม่ปรากฏในใจเลยการที่กรรมฐานแต่ละอย่างจะปรากฏในใจได้นั้นก็เพราะว่าใจมันนิ่งนะ สติควบคุมจิตใจนิ่งนั่นแหละกรรมฐานจึงปรากฏขึ้นได้เหมือนอย่างบุคคลต้องการจะดูวัตถุสิ่งของอะไรให้มันเห็นชัดๆดอย่างนี้นะถ้าไปมัวแต่เลี้ยววกเลี้ยวแวกไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออยอย่างไรเล่า ต่อเมื่อจ้องสายตาเขม e r i ไปไม่วกแวกไปทางอื่นแล้วอย่างนี้สายตาทั้งหมดมันไปรวมอยู่จุดเดียวนั้นมันก็เห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยฮะก็ฉันใดการเพ่งกรรมฐานก็อย่างนั้นแหละเป็นอย่างเราเพ่ง ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะใจก็จดจ่ออยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปมันก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดในใจเลยเนี่ยเมื่อใจมันไม่คิดไม่ทสงสายไปข้างนอกแล้วมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบัดนี้ หรือว่าเพ่งต้องการอยากจะดูกระดูกซี่โครงบอกอย่างนี้นะหรือว่ากระดูกสันหลังหรือเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท่อไม่ถอยมันนิมิตคือว่าเครื่องหมายของกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครงนะมันจะปรากฏในใจนั้น เพราะว่าใจมันดิ่งไปสู่โครงกระดูกนั่นโดยส่วนเดียวมันไม่ได้พลิกแพลงไปที่อื่นในที่สุดโครงร่างของกระดูกก็ปรากฏในใจในกรณีใจมันก็นึกได้เลยเออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแกนเป็นสารเลยไอ้ที่มันจะ คุมกันอยู่ได้นี่ก็อาศัยโครงล่างกระดูกนี่เท่านั้นแหละเป็นเครื่องทำให้เนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นน้อยใหญ่อะไรยึดกันอยู่ได้ปุปมามันอย่างบ้านเรือนนะมันก็มีโครงหลังคานั่นแหละเป็นเครื่องรองรับเครื่องมุงต่างๆไว้เครื่องมุงก็จึงไข่แนบ เนียนอยู่ได้นั่นถ้าโครงหลังคามันชํารุดแล้วเครื่องมุงก็ชารุดไปตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อโครงกระดูกนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันหักมันชารุดลงไปไอายวิทยาส่วนอื่นๆมันก็แปรปวนไปตามกันนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนเลยนี่ ก็ลองนึกกวาดภาพดูเมื่อมันเพ่งเข้าไปเห็นอย่างนั้นนะวอเมื่อตายจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเนื้อหนังมังตาเหล่านี้เปื่อยเน่า ผ, พผุพังไปอ่เส้นเอ็นก็เปื่อยเน่าผุพังไปองกระดูกของโครงล่างของร่างกายนี่มันก็ปฏิประต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยมันก็ กระจัดกระจายไปคนละแห่งละหนนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เลยนี่ถ้าเราเพ่งเห็นโครงกระดูกให้มันชัดเจ น, นแล้วอย่างนี้เราก็จะมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยนี่แหละเมื่อกรรมฐานอย่างว่าเนี่ย ปรากฏขึ้นแล้วจิตใจนี่มันไม่ไปไหนแล้วบัานี้มันก็จ้องอยู่แต่อุกหน์นิมิตนั่นะนิมิตติดตาไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งให้มันเห็นอย่าให้ใจมันมืดตื้อเมื่อเพ่งเข้าไปภายใน มีแต่มืดเตื่อยอย่างเดียวนะ่ะนั่งไม่ทนหละปุนั้นนะ่ะแล้วก็จิตถอนออกมาเลยฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเข้าไปสงบเลยเพราะมันมืดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราอยู่ในที่บนมืดแนบะ่มันก็อึดอัดก็ต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้น เมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นมันก็ทำลายความมืดนั้นไปอันนี้ชั้นใดจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามปกติเมื่อเราไม่ได้ทำความเพียรภาวนามันก็ถูกโมหะความหลงน่ะครอบงมจิตไว้ทำให้จิตนั้นมัวหมองมืดมอนอยู่อย่างนั้นแหละ ต่อเมื่อมาทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายในนั่นไม่ท้อไม่ถอยแล้วนั่นก็เห็นแจ้งในพระกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่ว่ามานั่นแหละแสงสว่างมันก็ปรากฏขึ้นมาจา ก, กจิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย พึ่งพาการตั้ง อ, อกตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สำเร็จแหละงานทุกอย่างงานทุกอย่างมันสํสำเร็จได้โดยความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ทำยังไงได้ ตัวเองหากละกิเลสไม่หมดในชาติหนหลังนูน่นกิเลสนั้นมันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นชนะกะกรรมนำให้มาเกิดเป็นขันห้าในขึ้นอีกก็อย่างนี้แหละเมื่อมาอาศัยขันห้า ใหม่นี่อีกแล้วก็ยังมาเกียรติคลานไม่ทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้อย่างนี้มันก็กิเลสนี่มันก็งอกงามขึ้นในจิตใจเรื่อยมันก็มีอิทธิพลน ะ, ะบังคับจิตใจนี่ให้ทำชั่วบ้างทำดีบ้างถ้าหากกิเลสนี่มันหนาขึ้นมากๆแล้ว ส่วนมากมันก็บรรดาให้ทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อมันมืดเข้าพ อ, พอแล้วก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีนั่นแหละกิเลสี่เมื่อมันหนาแน่นเข้าไปแล้ว มันจะบันดาลให้จิตเห็นผิดเป็นชอบจากทำนองคลองธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าดังกล่าวมานี่แหละมันก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อมีความเห็นผิดแล้วมันก็ไม่เพียรละ บ, บาปไม่เพียมไม่เพียมบาเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้ว นี่แต่สะสมกิเลสบาปประรำให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปเพราะมันมองเห็นว่ากิเลสตอนนี้มันไม่ได้ทําให้คนเป็นทุกข์แต่อย่างใดแม้บุคคลจะทําบาปทำกรรมอะไรบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ตามให้ผลแก่ใครเพราะมันเห็นว่าตายแล้วสูญไปหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละผู้ที่มีความ เห็นผิดไปอย่างนี้มันทำลายโลกให้วุ่นวายอยู่เนี่ยขย่าวโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนหมู่มนุษย์อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะคนจำพวกที่มีความเห็นผิดดังกล่าวมานี้เองเหละ